การหมวดทำาวกเราในการศึกษาคำสอนเนี่ยในครั้งที่แล้วได้พูดตีเรื่องของสังคีตหมวดหนึ่งจบไปแล้วทีนี้ก็มาขึ้นหมวดที่สองในหมวดที่สองเนี่ยท่านพระสารีบุตรบอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทำหมวดและสองประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตระมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตัดไว้โดยชอบมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยานาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์ น, นี้ตั้งอยู่ได้นานดํารงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็บอกว่าทำหมวดและสองประการนั่นคืออะไรดังที่ได้กล่าวก็คือว่านามมันจะรูปัญจะก็คือหนึ่งนามสองรูปนะแล้ในครั้งที่แล้วก็ได้ยกอัตถามาก็อยายบอกว่า ขั้นทรงสแสดงสามัคคีรถด้วยอํานาจแห่งธรรมหมวดหนึ่งดังที่กล่าวแล้วเนี่ยคําว่าสามัคคีรถเนี่ยคือแปลว่ารถแห่งสามัคคีฤกิ์แห่งการสามคัคคีคือท่นานพระสารีบุตรเนี่ยฟารบว่าเจอพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทร ง, งเห็นผู้เป็นป้ารานต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ที่พระองค์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายพึงสามัคคีกันพึงที่จะร้อยกองก็ทําวินัยฟังนั้นเถิดจัดพระธรรมวินัยนั้นให้เป็นหมวดให้เป็นหมู่เพื่อความสามัคคีกันเพื่อการไม่แตกแยกเพื่อการไม่วิวาดกันแล้วก็ยกตัวอย่างว่าไม่เหมือนกับเดรัทธีนิค น, นี้มั้งพวกเดรัทธีนิคนทั้งหลายเนี่ยเขาเขาวิวาดกันแต่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ย ตามาทีกันอันนี้อ๋ออันนี้ถ้าหากคนศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ก็จะรู้ว่าว่าการอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขนี่เป็นอย่างาคี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างต่างจากคําสอนของศาสนาอยู่ เพื่อคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยเขาบางทีในการลุกลานเมืองอื่นเนี่ยเขาถือว่าไม่เป็นโทษแต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นทษถ้าเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นทษเบียดเบียนตัวเองก็เป็นโทษเบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นก็เป็นโทษอันนี้ก็เป็นอย่างไี้ลหลายท่านก็เลยบอกว่าตอนนั้นที่บอกว่าอุ้ยตอนเนี้ย เขาบอกว่าลทัทธิศาสนาภายนอกเขาลุกลานพุทธศาสนาเราก็าโทรมาหาพระพระก็บอกว่าเอ้าเราอยไปสู้อะไรก็ได้เรพของเรามันฆ่าคนฆ่าคนมันเป็นบาปของเขาฆ่าคนลนโบุนมันก็นเลื่องแล้วเขาแพ้ต้องเด็ในมุ้งเลยก็มีก็ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยก็ก็ เ, เป็นไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ว่า ท่านภาษารีบุตรแสดงสามัคคีรถก็เพื่อต้องการให้สงแนนาคตสามาคัคคีกันในรรมหมวดสองที่บอกานามและรูปเนี่ยนะท่านนามก็ได้แก่อรูปประคันสี่นี้ได้กล่าวไปแล้วคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและนับเอานิพพานหนึ่งด้วยใช่ไหพระนิพพานเนี่ยถ้าถามบอกว่าเป็นนามหรือเป็นรูปถ้าต้องบอกว่าเป็นนาม ตนิพพานเนี่ยเป็นนามเนี่ยต่างจากนามขันถ้านามขันเนี่ยนะคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเนี่ยนามตัวนี้เขาแปลว่าธรรมชาติที่น้อมไปเ้าน้อมไปแหละน้อมไปหารูปารมสัทธารมคันธารมลัสารมโหสถอารมแล้วก็ธรรมอารมณ์ธรรมชาติของนามเนี่ยเขาจะน้อมไปหาอารมณ์เช่นว่า เรานั่งกันอยู่ที่เนี่ยถ้าเราจะไปคิดถึงใครเนี่ยนะใจของเราเนี่ยมันก็จะน้อมไปหาคนนั้นเลยถ้าคิดไปที่บ้านจิตมันใจมันก็น้อมไปที่บ้านถ้าคิดไปที่เสื้อผ้าที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ตรงไหนก็นแล้วแต่เนี่ยธรรมชาติเก่าวคือนามธรรมมีเวทนาสัญญาสงสารวิยาณเขาก็จะน้อมเลิกคิดไปในรื่องนะนี่คือนามธรรมชาติของเขาน้อมไปแต่นิพพานเนี่ยเขาไม่น้อมไปแบบนามนะ เขาเป็นธรรมชาติที่ให้น้ำน้อมไปหาเขาเอาถามว่าน้ำประเภทไหนที่สามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องเป็นโลกุตลาลจิตหรือจิตของผ้าอริยะบุคคลถ้าจิตของเราเนี่ยหมดสิทธิ์ไม่มีโอกาสได้ก้นผักพระนิพพานเลยนะอันนี้หมายถึงอดีตและปัจจุบันนยไม่มีโอกาสแต่อนาคตมีโอกาส หมถึงจะตั้อัจฉริยะสายถูกเนีะถ้าตั้งผิดก็หมดโอกาสเอนิพพานเนี่ยถ้าใครมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นครั้งแรกเนี่ยสังสารวัฏขาดเช่นเราเนี่ยกําหนดนับสังสารวัฏของพวกเราไม่ได้เลยว่าเราเนี่ยจะเกิดอีกกี่ล้านชาติในสังสารวัฏนี่นะเรากําหนดไม่ได้เลยว่า ออกจากภพนี้จะไปเกิดเป็นเปรตสัตว์ตายตสัตไไว์เลาฉาหรือสัตวนรกเนี่ยมันกำหนดไม่ได้แต่ว่าถ้าหากได้สัมผัสท่านานามธรรมาของท่านผู้ใดเนี่ยนะได้ไปสัมผัสหรือได้รับพลานิพานเป็นอารมณ์เป็นครั้งแรกเนี่ยสังสารวัตรที่มันกำหนดเบื้องต้นแนะที่สุดไม่ได้มันจะหดเหลืออยู่แค่เจ็ดชาติเอง เป็นเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นนิพพานเนี่ยทุกคนยังปรากกันหนาวว่าทำยังไงเนาะถึงอยากจะเห็นวนัณยานเห็นสักครั้งเดียวก็พอแล้วอ่เนี้ยแค่นั้นเนี่ยแต่แตบบ่ไม่ได้เห็นในตาเนื้อเห็นในตาปัญญาเนี่ยทีนี้ไอตาปัญญาเนี่ยหมายถึงสื่อมารปัญญาการคืนมรรคเนี่ยตาปัญญาที่จะเป็นสัมผัสหรือไปเห็นวัณพานได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการการศึกษาการอบรม มันเหมือนว่าชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยนะที่จะวิสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดได้เนี่ยมันไม่ได้ไปได้เพียงวันเดียวนะมันต้องไปจากการเพียรพยายามไปจากการอดทนไปจากความบากบั่นใช่ไหมทีนี้ความเพียรความพยายามความบากบั่นการใช้สติปัญญาหรือความรอบคอบใดๆต่างๆก็แล้วแต่ที่ประกอบอาชีพการงานในที่สุดจริงๆมันก็ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุวยก่อนนี่นหมายถึงเหตุที่จะมาขัดขวางทีนี้ชีวิตในการที่ในฐานะที่เราสร้างอัธยาศัยบ่มบามีธรรมนมันก็ต้องเป็นไปตามลำดับก็เหมือนกับในโคปาลกะโมคลานาสุดปร่าจารางศึกษาและการปฏิบัติเป็นไปตามลำดับเบื้องต้นถ้าต้องการอยากเห็นพระนิพพานเนี่ยก็ต้องรัวว่า เออมีปาติโมกสังวรศีลไหมเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อมีปาติโมกสังวรศีลเห็นภัยเห็นโทษในการเวียนไหวตายเกิดเป็นต้นก็มีอินทรียสังวรศีลเป็นต้นไหมนะแล้วต่อไปเป็นตามลําดับก็คือว่าโพชเนะมะตมันยตาเป็นต้นเนี่ยนะรู้จักประมาณในการใช้สองตัจใจเป็นต้นหรือไม่แล้วในที่สุดจริงๆก็ฝึกขัดอบรมในอธิจิตอาธิปัญญาที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไป ลักษณะอย่างนี้ในที่สุดจริงๆก็สามารถจะทําใจตนเองเนี่ยให้น้อมไปถึงวันนิพพานเช่นนิพพานเนี่ยมาจากคาว่านิพพานนันจะเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ทําให้นามาทำน้อมเข้าไปหาครับเพราะว่านิพพานเนี่ยเป็นอารมณะเป็นอารมณ์เป็นอารมณะปัจจัยเขาเรียกเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้กับจิตทีนี้จิตที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องเป็นจิตของ ผาลีญบุคคลคือตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันเปน็นต้นเลยเ อ, อถ้าพระโสดาบันในที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันในขณะที่มหาวุโสนญาณสัมปุญญาตจิตเกิดกขึ้นในท่านนั้นและในขณะนั้นน่ะท่านก็มีใจน้อมก็หาพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นต้นหรือในขณนะที่ท่านบรรลุครั้งแรกเนี่ยข้าโตมากเกเจตผลเจตก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แน่นอนอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขั้นนามกา็คือพระนิพพานเนี่ย การได้เห็นพระนิพพานแล้วเนี่ยสังสารวัรมันหยุดมันขาดถ้าเห็นครั้งที่สองราคะโทสะโมหะคือกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้าเห็นครั้งที่สามเนี่ยกามาภูมิไม่มาเกิดแล้วจะเกิดเฉพาะในรูปภูมิและในอรูปภูมิถ้าเห็นครั้งที่สี่เนี่ยสามสิบเอ็ดภพไม่ต้องไปเกิดแล้วที่เป็นอย่างนี้เพื่อนในสายตาของพระอริยนี่เนี่ ท่านบอกว่ายกตัวอย่างเช่นว่าขนาดเป็นผ้านาคาเนี่ยท่านก็นยังบอกว่าเป็นความเจ็บปวดที่ยังต้องเกิดท่านบอกว่าอุจจาระเนี่ยนะแม้แต่นิดเดียวก็เหม็นหมนะหรือเศดเนี่ยแม้แต่แค่ยาคาจิ้มเนี่ยจิ้มก็ไปนในเศดหรือของมันเน่าเเนี่ยจิ้มขึ้นมาตบบมันก็เหม็นยันใดขึ้นชื่อว่าพบเนี่ย แม้จะเหลือ น, นิดเดียวก็กทุกข์ก็ให้ชาติทุกข์ชร า, าทุกข์มรณะทุกข์นั้นท่านมองแล้วท่านเห็นความเบื่อหน่ายว่าภพชาติเนี่ยเป็นของหน้ากูอันนี้ในสายตาของพ่ายริยะหรือในสายตาของคนที่ก็เบื่อหน่ายวะะ่าตัดอันนี้ถ้าหากว่าในทัศน์าในวิธีคิดของเราท่านทั้งหลายที่ยังเปลือกกล้วยกบ ก, กิเลสเนี่ยเรามองว่าออไม่ไม่เห็นทุกข์เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เป็นอยู่ได้อะ ตื่นขึ้นมามีอาหารกินมีเสื้อผ้านุ่งห่มมีน้าไม่อาบนี่สิ่งต่างๆมันเหมือนกับคนบางคนที่บอกว่าเ้าบอกเขากินข้าวไม่ได้ถามเขาแต่วันวันึงเดี๋ยวก็หยิบขนมนั่งใส่ปากน่งนี่ใส่ก ค, คือ ก, ก็กินเป็นประจํำแต่ก็บอกว่ากินข้าวไม่ได้คือจะถึงเวลากินข้าวเขาก็กินไม่ได้จริง นั้นคนบางทีเราอยู่กับภพบเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ว่าเราก็อยู่แบบประเภทเด็กคุ้นเชยคุ้นเคยกแบบเคยชินนลยนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนี่นะถ้าเราอบรมปัญญาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีกําลังเมื่อไหร่แล้วเนี่ยและเราจะเห็นว่าภพชาติเนี่ยมันเป็นทุกข์เองแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าขันนี่ถือเป็นภาราหมณ์ คือถ้ามาคิดว่าเนี่ยรูปปัญจานามมันจากรูปปัญจานนามและลรูปรวมกันนี่คือขันห้าเนี่ยการที่เราแบกขันห้าเนี่ยจนในสูตรบางสูตรเนี่ยท่านบอกว่าเป็นภาระรูปเวรนาสัญญาสัญญาอิน ญ, ญาเนี่ยเป็นภาระเป็นภาร ะ, าระทีนี้ แล้วเมื่มีรูปเวทนาสัญญาธรรมฐานวิญญาณรวมกันเป็นรูปกนำนามอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมาบัญญัติใช่ไหมว่าจะเชื่อล่ะแล้วก็บัญญัติฐานะอะไรตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรมีกิจการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอะไรแ ล, แล้วรับผิดชอบอะไรเยอะเลยนิสิตต่างๆก็จะตามมาเยอะคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวเองเลยเราเป็นอะไรเนี่ยคือเราเป็นได้ทั่วหมด เป็นลูกก็เป็นถ้าไปอยู่กับแม่กับพ่ออยู่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ถ้าเราไปอยู่กับลูกเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นปู่เป็นตาเป็นยายใช่ไหมบางทีเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องแต่เราพัดหมดแหละอันนั้นคือผานละบางทีแทบสับสนเลยใช่ไหมกลับไปที่ทํางานเนี่ยบางทีเราเราเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องกลับจากที่ทํางานมาอยู่ที่บ้านเราเป็นคนรับใช้ี ห้องลางห้องน้ำบางอะไรบางเราไมนเห็นไหมว่านี่คือภาระนี่มันมันยังมีรูปน้ำอยู่ก็ก็ก็ดูแลไปทีนี้ว่าพอดูแลไปแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยด้วยความทุกข์ฉะนั้นว่าน้อมไปเนี่ยพราะอัตวะกระทาชื่อเขาบอกว่าพระเจ้ามหาส ม, มุดมีนามว่ามหาส ม, มุดเนี่ย ก็พรามหาชนสมมุติและยกจ้องก็รู้พร้อมพรองเหมือนกนสมัยก่อนเขาบอกว่าตอนที่จะมีการละโลกโลกเกิดขึ้นมาใหม่ๆนี่นะในอค ญ, ญิสูตรเขาบอกโลกใบเนี้ยมันุบัตเกิดขึ้นมาจากเอ่อจากดิมน้ำไฟลมมันรวมกันอยา ก, ก้อนเล็กๆแล้วมันก็รวมใหญ่โตขึ้นอาศั ย, ห ล, ยลลลลหลายล้านล้านล้านปีในหลายล้านล้านปี พอมันใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโอ้มันรสชาติของดินเนี่ยหอมมากแล้วก็มีพืชพันธัญยาในอต่างๆเริ่มปยอยขึ้นมาที่เมืองไทยบ้างยิ่งถามว่ามาจากอะไรมาจากกรรมก็เรียกว่ากรรมมาปัจจะยัอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุคือเกิดจากความเย็นความร้อนเกิดจากวิโพรูปอ่ะเกิดจากดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาภาตรวมกันจากเล็กๆนี่นะแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น แต่มันมีกรรมของเราสัตว์นเป็นปัจจัยกรรมของเราสัตว์โลกทั่วๆไปนีเป็นปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมานี่ต่อมาในพรหมนเนี่ยนะก็เหาะลงมาพรมนี่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยก็เหาะลงมาเหมือนกับไปเที่ยวโลกนั้นโลกนี้นพอมาเหยียบโลกใบนี้แล้วล่ะต่อมาเนี่ยไอ้ตัณหามันเกิดตัณหาที่มันสงบนิ่งมานานยาวนานเนี่ยด้วยกําลังของฌานเนี่ยนะพอมาแล้ว มันเกิดความยินดีอยากจะอยู่ที่ตรงนี้ขึ้นมาพอตั้นหาคือความยินดีในพอใจในพบตรงนี้เกิดขึ้นมาน่าเข้าน่าเข้ามันก็ตั้นหามันก็เพิ่มกําลังมากขึ้นมันเหมือนเชื้อมาเร็งเนี่ยนะมันโรคมาเร็งเนี่ยนะแตถ้ามันเกิดขึ้นในน้อยเนี่ยถ้าสกัดเสียเนี่ยมันจะตันได้แต่ถ้าไปปล่อยให้เป็นระยะสามระยะสี่แล้วนะ่ยมันหมดโอกาสลักษณะตั้นหานะมันร้ายแรงยิ่งกว่าเชื้อมาเร็ง ทีนี้เวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยไม่แพงตลอดสัจจค ก, ก็ไม่เห็นโทษของตัณหาไงไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของทุกข์เนยก็ไม่เห็นก็ปล่อยให้มีกําลังมากขึ้นนะเข้าคุมตัณหาไม่อยู่เพราะคุมตัณหาหรือความอยากไม่อยู่เนี่ยไอ้ความอยากมันก็ดินนี่มันหอมนะอยากกันนั้นเลยเราเอามาดมหน่อยเริ่มมาดมเริ่มมากินขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะ่ะเข้าเนี่ยไอ้จากภาวะเพศที่ไม่เกิดมันก็กูกขึ้นมา หน้าขาวหน้าาวก็กินดินกินแล้วกินได้เลยนะดินในยุคนั้นปัจจุบันเนี่ยยังมีดินบางแห่งกินได้อยู่ใช่ไหมเพกาะกัดมันกินอยู่อันนั้นหลงเหลือแค่ตรงนั้นแหละนอตทั้งหมดแล้ยไอ้ง้วนดินที่ ท, ที่ที่มันหอมหอ ม, มหวานๆเลยต้องมันใช้กันมากี่ล้านปีแล้วก็หมดยุคนี้เป็นยุคเสื่อมโซมแล้วยุคจัดการเอาให้นมนุษย์ฉลาดก็ก็สร้างสารเคมีขึ้นมาก็มาทำลาย ก็ว่ากันเนี่ยเ้าเรียกว่ามหาชนก็เลยสมมุติขึ้นเมื่อมีคนมาเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะเข้าก็มีการส่งสู่มีการอะไรกันเป็นตามลําดับแล้วก็เลยตั้งผู้นาขึ้นมานี่มันก็เรียกว่ามหาสมทรก็สมมุติขึ้นมาก็เป็นพระพระเจ้าแผ่นดินองแลของโลกอหรือเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ตั้งชื่อเป็นที่กําหนดหมายของบุตรอย่างนั้นคนนี้ชื่อติดสากคนนี้ชื่อขุสัะ หรือเหมือนอย่างชื่อที่ได้มาโดยคุณสมบัติว่าท่าค้าที่บรรยายทำในสมยัยก่อนถ้าเก่งในการในพระสูตรเขาเรียกทำมากะถึกถ้าเก่งพระวินัยเขาเรียกพระวิ น, ยนวัยทรนปัจจุบันไม่มีตั้งชื่อกัอนแบบนี้ก็มีพระครูธรรมทอนอยังมีอยู่แล้วก็พระครูวินัยทอนแต่ตั้งไปอย่างนั้นแหละบางองค์ก็ตั้งไว้ก็ไม่รู้คําสอนไม่เยอะก็ก็เป็นอย่างนั้นเอ ขันทั้งหลายมีเวทนาต้นจะได้ชื่ออย่างนั้นก็หาไม่เขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันเนี่ยไม่ได้ตั้งเหมือนกับพ่อแม่ตั้งชื่อบุตรช่มะเหมือนที่เราตั้งชื่อบุตรหรือตั้งชื่อคนที่มีความสามารถอย่างไรอย่างนีงแต่เวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ย มีชื่อของตนเกิดขึ้นเองเหมือนกันกับแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยขันเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วชื่อของขันเหล่านั้นก็เป็นนั้นเกิดขึ้นแล้วทีเดียวแต่ว่าใครจะไปรู้ชื่อขันนั้นหรือไม่ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักขันคือรูปกับนามเวรน า, าสัญญาสงสารวิญญาณและก็รูปขันเนี่ยนะฐานห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองโดยอาศัยเหตุปัจจัย แกพระพุทธเจ้าไปกําหนดรู้ทีหลังว่าอันนี้เป็นเวทนาสัญญาสังขารนี่องไม่มีใครไปตั้งชื่อขันเหล่านั้นเพราะไม่มีใครที่จะมากล่าวกับเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเออเจ้าจงชื่อเวทนาขันนะเจ้าจงชื่อสัญญาเจ้าจงชื่อสัญญาสังขารอินญาณเจ้าจงจงชื่อเพื่อประชันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนอย่างเมื่อแผ่นดินเกิดขึ้น ก็ไม่มีธุระอะไรที่จะต้องไปตั้งชื่อว่าเจ้าในช่วงชื่อแผ่นดินด้วยแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครไปตั้งชื่อขบอวนกบันอันนี้เป็นสมมุตินะแผ่นดินเนี่ยแต่คำว่าแผ่นดินในที่นั้นหมายถึงธาตุาดินเป็นต้นชื่อเป็นอันเกิดขึ้นทีเดียวตกลงเป็ น, นบัญรรติที่เกิดขึ้นได้เองฉันใดเวทนาสัญญาปัญหาวิญญาณก็ไม่มีธุระอะไรที่จะต้องไปตั้งชื่อว่า ตัวเจ้าจงชื่อเวทนาเจ้าจงชื่อสัญญาสังขารมิยญญาเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดย่อมเป็นกานเกิดขึ้นมีชื่อว่าเวทนาเลยทีเดียวสัญญาก็ เ, าเหมือนกันฉะนั้นบอกว่าเวทนานี่นะแม้ในอดีตจะกพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นต้นนั้ น, นอดีตนี่นะก็เขาก็เรียกเวทนา แม้ถ้าจะมาจัดในอนาคตอีกเป็นละล้านองในอนาคตเนี่ยพวกเป็นละล้านองเราอย่ไปดีใจนยะไม่รู้พบไหนไม่รู้กลับไหนใช่ไหมแต่ว่าจะมาตราดเยอะแต่ว่าอีกกลับนี้มีโอกาสอีกองเดียวไม่ทันหรือเปล่าถ้าไปไปหลบอยู่ในใบยมคูมเนอ เป็นกับกับนี่อะโหพขึ้นมาเอาหมดศาสนาเรื่งแล้วต้องกลับลงไปอยู่ใหม่ทรมานตายเลยนั้นเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รูปขันถิเป็นต้นเนีสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตแม่ในอนาคตแม่ในปัจจุบันก็จะชื่อว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นเดียวกันเหมือนกันกับนิพพานเนี่ยนะในอดีตก็มีเขาก็เรียกมัน เขาก็มีชื่อของเขาวันนี้พานนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคําว่นนานิ้พานเนี่ยมันเป็นแปลว่าดับไอความดับเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันดับอะไรดับรูปเวทน า, าสัญญาสงสญญารวิยาาดับกิเลสและรูปนามัต่นนะฉะนั้นสภาวะของนิาพา น, นไม่มีใครไปตั้งชื่อไงสภาวะของเวาาทนาจิตเพราะอัต ว, สวัสสวยอารมณ์เนี่ยมไม่มีใครไปตั้งชื่อบอกมันใครเกิดมาเขาก็มีอยนะ่านี้ เนี้ยมีการสวยถูกบ้างทุกบ้างแล้วเฉยๆบ้างเป็นธรรมชาติของสัญญาฝ้าถวรรค์จำมารมจําสีเขียวสีแดงเป็นต้นนก็มีอยมันอยู่แล้วสังขารทุกดว ง, งแต่งคิดที่เปนบุญที่เป็ น, บ, ปนบาปก็มีอยู่แล้ววิญญาณคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีอยู่แล้วรูปกระข่ทั้งหมาคนรูปและปูปาไทายรูปก็มีอยู่แล้วทั้งในายด็กและนาคคนยันปัจจุบันฉะนั้นไม่ไ ม, ไม่มีใครไปตั้งชื่อ ขันห้าฉะนั้นในบรรดาขันสี่นามเพราะอัตว่าน้อมไปขันเหล่านั้นย่อมมุ่งหน้าน้อมไปในอารมณ์แม้สิ่งทั้งปวงที่ชื่อว่านามด้วยอัตวันน้อมไปเนี่ยนะขันสี่ย่อมเกิดและกันให้น้อมไปย่อมยังกันและกันให้น้อมไปก็อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าได้ขันสี่เนี่ยนะ รูปเวทน า, าขนันนามขันสี่เนี่ยสัญญาขนันสังขารขันละวิญญาณาขนันอันนี้เป็นนามเพื่อในจิตใจของเราเนะี่ยมีอยู่ห้าขันเมื่อกี้ดูเช่นในขณะที่เออขอไปมีอยู่สี่ขันในขณะที่เราคิดเนี่ยนะความคิดของเราอะไอจิตที่เป็นหัวหน้านี่เป็นวิญญาณาขนันในวิญญาณาขันมีเวาาทนาเกิสุขทุกข์อยู่ในนั้นด้วย แล้วมีสัญญาสัญญาขันอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีสติมีปัญญามีโลภะโทสะเป็นต้นเหล่าเนี้ยคือสังขารขันอยู่ในนั้นด้วยสรุปแล้วว่าถ้าจิตคิดถึงดอกไม้สัญญาสังขารเยนยาณที่เป็นน้มอีกสามเขาก็มจุ่งแต่งดอกไม้อย่างยกตัวอย่างเช่นจิตคิดถึงดอกไม้เอเวทนาก็สวยสวยสุขเละทุก์จากการเห็นดอกไม้สัญญาก็จําสีของดอกไม้ สังขารกับปรุงแต่งว่าดีหรือไม่ดีในดอกไม้ฉะนั้นสภาพว่าถ้าขันหนึ่งไปคิดอีกขันหนึ่งก็ตามมันน้อมไปกันอย่างเนี้ยมันเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเออแยกได้นะเอาเวทน า, าขันไปทางหนึ่งเอาสัญญาขันไปทางหนึ่งไม่แยกเขาไปด้วยกันอย่างเนี้เพื่อกันนี้ทีนี้ในขณะที่คิดเนี่ยอในขณะที่ใจเราคิดมาถึงดอกไม้ เวทนาสวยถ้าบางคนคิดถ้าน้อมไปน้องไปในด้านของบท่ากุศลแลจิตเกิดมันก็น้อมไปทางบุญแต่ถ้าอกุศลแลจิตเกิดนี่นะมันก็เป็นไปทางบาปเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นวันวันหนึ่งเนี่ยถามว่าธรรมชาติของน้ำขันเนี่ยน้อมบ่อยไหมหนึ่งวินาทีเนี่ยน้อมเป็นล้านๆครั้ง มากกว่าล้านครั้งบางทีดโดนหนึ่งนาทีเนี่ยจิตเนี่ยมันมันมันคิดเร็วูเร็วขนาดนั้นเลยแต่เราเราดูเหมือนเราคิดช้าๆใช่ไหมมันเหมือนคิดทีละเรื่องละเรื่องแต่ที่จริงธรรมชาติของน้ำเนี่ยโอหมันมันเร็วมากต้มีพระเถวราชรูปหนึ่งท่านท่นป่วยเป็นมะเร็งคือท่านเป็นนักปฏิบัติโดยนักศึกษาปริยัมด้วยที่ต้องเจาะ เป็นมะเร็งกล่องเสียงก็เป็นอยู่ประมาณปีก็พูดไม่ได้ต่อมาก็เข้าห้องไอซียูพระเขาก็ไปเยี่ยมก่งพอไปเยี่ยมเบรเสร็จก็กระดูกราฟกราบพี่วิ่งเบาเบามากเลยพอไปพระท่านก็นสวดมนต์พอขึ้นบอกว่าสัมพูโทโธทีต่าทางเทโทนี่บอขึ้น ครับวิ่งวิ่งขึ้นครับวิ่ง ข, างขางางนาดร่างกายไม่กระโดด ก, ก, กันเดียกนะถือรูประขันเนี่ยหมดสภาพแล้วแต่ตัวนาำกระขันเน่ยยังยังน้อมที่รั้วตะหล่นนะเราบอโอ้เนี่ยดูดูท่านชื่นใจาพาเรา ก, ก็สวดสาสะทยายให้เรือยๆงั้นคนที่คนที่ศึกษาวัฒนธรรมมากๆเนี่ยถ้าใกล้ตายเนี่ยสิ่งที่ท่านเหล่านั้นหวังก็คือว่า ขอให้ใจเป็นไปครับพระธรรมคำสอนของให้น้อมไปในพระธรรมคําสอนหลวงพระพุทเจ้าลองคิดดูว่าถ้ามรนากถนาวิถีของเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยปฏิสนธิในภพต่อไปเนี่ยถามว่าจะมีพลังขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนทีนี้พอปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยก็จะมีนั่นแหละพุทธคุณเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์ ทีนี้พอได้ยินคำสอนของพุทธเจ้าจากอธิยาสายที่ฝังแน่นในพวังเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องบอกอะไรมากเลยใจน้อมไปทางนี้อยู่แล้วระหว่างจะให้ไปร้องเพลงกับการไปสวดมนต์เนี่ยก็เขาไปสวดมนต์นะรวมนมดเนี้สนนนแสดงว่าจิตใจฝังลึกนี่ยงคือน้อมก็หาคำสอน ชนั้นลักษณะของนามขันศียังกันและกันให้น้องไปแนวรบเขาเพราะว่าเขาคิดถึงสีแดงจิตคิดถึงสีแดงเจตสิกก็ตามสีแดงไปด้วยจิตคิดถึงสีขาวเจตสิกหรือนามขันที่เหลือก็ตามสีขาวไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าย่อมยังกันและกันให้น้องไปแนวรบเขาเรียกว่าเป็นอัญญาบัรยัตอัญญาบัญญาปัจจัยก็แปลว่าสู้กันอะไรกันก็แปลว่าขาดกันไม่ได้ขากันไม่ได้ นี่เป็นนี่แต่คนเรานเนี่ยนะเราอยู่กันธรรมดาเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกเลยนะว่าเราเรารักหูของเราสัเท่าไหร่ใช่ไหมคือถ้าบอกวันใดวันหนึ่งเขาบอกว่าหูเราจะต้องขาดเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าหกไม่ไหเพราะฉันอันนี้นี่หมายความความเย็ดในขันนะนั่นธรรมชาติของโลกประขันและนามปขันก็เหมือนกัน บางทีเราก็นิดว่าเราเนี่ยไม่ยึดนมามอาคารนะอย่เราคิดว่าโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนความจําดีเดี๋ยวนี้ทาไมขี้ลืมแล้วเงินอันนี้คือธรรมชาติที่ยึดนมามอาคารเราเราก็พอมันักใช่ไหมว่าแต่ก่อนเราไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ความจําของเราดีกว่า น, นี้เยอะไอ้ ก, กลุ่มที่ยึดยึดโลกอาคารก็โอ้โแต่ก่อนมีสายตาเราไม่ต้องใช้แว่นเดี่ยเนี่ยลักษณะนี้มาเดี๋ยวนี้ก็พอ ก็ทุกข์ใจก็เลยบอกว่ามันเหมือนอะไร น, นะแกงจืดรูค้คุณคุณเปลือยแต่ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ก็อะไรนะตอนนี่เขาดีๆเนี่ยแต่พอเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วอยากจะมาศึกษาฟังสอนอะไรแต่นี้แต่นี้ก็ต้องรีบเล่นกันแล้วเดี๋ยวถ้ามันเกิดมองไม่เห็นมันมายุ่งเลยดูนี่คือคือเกี่ยวในเรื่องของน้ำ ประการต่อมาคนิพานย่อมยางทำมันไม่มีโทษให้น้องไปในตนเพราะเป็นปัจจัยแห่งธรรมที่เป็นไปเป็นไปใหญ่ในรมนะก็เพราะว่าช น, นิพานเนี่ยนะเขาก็น้องอะไรย่อมยางทำมันไม่มีโทษให้น้องไปหาตนก็คื อ, อยางพวกหมากรุษญานะสามยึดหมากริยาญะนสัมยึดของบ่าอยิยงะแล้วก็มโนถวารวชนะแล้วก็ปิญญาเหล่านี้เป็นเรื่องรัตโลกุตรธ ร, ธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้น้องก็มาหาตนก็แปลว่า ทำนามะขันใครสามารถเอานามะขันไปมีพรนิพานเป็นอารมณ์ได้ท่านผู้นั้นก็ถือว่าทําวตตะพุกนั้นให้ให้ให้ขดลงได้ทั้งหมดนั้นนะ น, นะคาว่ารูปก็หมายถึงมหมาคุทรูปแล้วก็อุปาทยายรูปมหมาคุทรูปก็ก็แปลว่ารูปที่เป็นใหญ่อุปาทารยารูปก็คือรูปที่อาศัยมหมาคุทารูปก็คือดินน้ําไฟลมเนี่ยส่นุปาทยายรูปประกอบจากขปัสสากา โสตประสาทคานาประสาทคิวหาประสาทกายาประสาทกลุ่มพวกนี้เป็นอุปาตตุผาทายรูปก็แปลวรูปอากัยนี่เป็นไปรักษาไหนนี้ส่วนรายละเอียดก็จะไม่ขยายตรงนี้นะทั้งหมดนั้นเพราะอาจะ ร, รูปรูปเนี้ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องย่อยยับไปรูปเนี่ยธรรมชาติของรูปเนี่ยจะต้องย่อยยับไป หลังจากผมขนและฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ากม้ามห้วยใจไตตับเป็นต้นเหล่าเนี้ยธรรมชาติของเขาก็คือผูกพังแตกสลายแล้วก็ย่อยยับทาไมต้องย่อยยับเพราะอะไรเพราะความเย็นบ้างเพราะความร้อนเป็นต้นบ้าง น, นี่เป็นไปด้วยอาการหนึ่งนะฉะนั้นเรดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีในในในขันห้าเนี่ยพรปเวทนาสัญญาสัญญาวิญ ญ, ญาณ ทีนี้ของที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราข้อมูลเนี่ยกว่าเราจะมารู้เนี่ยบางทีก็นานเราไม่ได้ถูกให้ให้ศึกษาให้อบรมมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะนะเราก็เลยมาคิดไม่ค่อยออกว่ามันไม่ดียังไงทีนี้ไอความรู้สึกที่เราถูกฝังให้ให้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันถูกฝังเฉพาะในภบนี้ก็โหไม่รู้อยู่สิบปีและในสังสารวัตที่ผ่านมาก็ยาวกลนี่เป็นไปด้วยด้วยอาการอยนี้ ประการต่อไปก็ขึ้นธรรมะหมวดสองอีกนะขึ้นหมวดสองก็คือว่าอาวิชชาอาวิชชาจะภาวะตัณหาจะหนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งสองภวะตัณหาความทะยานอยากในพบอวิชชาความไม่รู้แจ้งแล้วก็ภวะตนณาความทะยานอยากในพบ อันนี้ก็ส่วนคำว่ า, าวิชาเนี่ยนะวิชานั้นหมายถึงโมหะโมหะทีนี้โมหะเนี่ยได้แก่ความไม่รู้ในสัจจากทั้งสี่ไม่รู้ในสัจจากทั้งสี่คือไม่รู้ในทุก ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ไม่รู้ขันอายตนะธาติที่เป็นไปในอดีตขันอายตนะธาติที่จะเป็นไปในอนาคตแล้วก็ขันอายตนะธาติทั้งที่เป็นไปในอดีตและนอนาคตและในปัจจุบันด้วยและไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือลักษณะของอวิชชามนะทีนี้ถามว่าไม่รู้ทุกข์เนี่ย เพราะว่าอาวิชชาเนี่ยความหลงในอารมณ์เนี่ยหลงในอะไรหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงของรูปนามนเนี่ยคือมีความไม่รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมนี่เป็นลักษณะไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นลักษณะคือลักษณะของโมหะนี่นะเขาบอกว่าสิ่งของทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ย เราต้องดูลักษณะของเขาบบทีนี้โมหะนี่นะเขาลักษณะของเขาคือหลงเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาคำพีวยากรไม่ได้ศึกษาพระไตรเอไม่ได้ศึกษาอภิธรรมเป็นด้นเหล่านี้เออเวลาเข้าไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ย ก็จะสงสัยทุกบทก็เหมือนกับบือก็ว่าเงี้ยเหมือนกับบือเนี่ยบอดเวลาเข้าสู่ป่าใหญ่บอกเวลาเข้าสู่ป่าใหญ่นะไอ้ป่าเนี่มันเคลือบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตาบอดเไาอีกป่าใหญ่เลยจริงลักษณะ ข, ของโมหาเนี่ยมันมันมืด ย, นน ย, ยิ่งกว่านะ้นหรือที่เขาเล่าออกว่ า, วาไอ้คนตาบอดเนี่ยไปรับควายเขา พอขึ้นขึ้นไปไปคำเบใดสรจก็ขึ้นไปบนหลังควายใช่ไหมพอขึ้นไปเบ็ดสร็ก็ก็ไล่ควายควายมันก็เดินวนอยู่นั่นแหละตั้งแต่ตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างเจ้าของก็มาเห็นเขเอ้า <c oughs> คือคือโมหะเนี่ยเขาอุบมาแล้วเกิดโมหะก็จะเป็นไปแบบนี้มันมันมันหลง หลงในสังสารวัตรเนี่ยมันก็หาทางออกไม่ได้มันก็หมุนหมุนอยู่นี่แหละมันเหมือนคนตาบอดไปลากควายเขาเนี่ยมันออกจากพ่อไม่ได้มันแล้วแต่ว่าจิตจะคิดไปทางไหนมันก็ไปงั้นแหละทีนี้จิตเนี่ยมีโมหะครอบงาอยู่ใช่ไหมคิดผิดคิดถูกคิดอะไรมันไม่มีหรอกมันเขาบอกว่าคนตาบอดเดินถูกทางก็ไม่รู้เดินหลงทางก็ไม่รู้ แค่เวลาบางครั้งก็ทําถูกนะแต่สําคัญว่าเขาไม่รู้เพราะเขาหลงไงอาบางครั้งเขาเดินผิด เ, เขาก็ไม่รู้อีกว่าเดินผิดมันไปอย่างนี้แหละลักษณะโมหะเป็นอย่างน <c oughs> ี้เขาบอกมีการปลกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เป็นกิจเขาแยกไม่ได้เขาแยกไม่ได้ว่าอารมณ์นี้เป็นทุกข์อารมณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อารมณ์นี้เป็นความดับทุกข์อารมณ์นี้เป็นข้อปฏิบัติให้เขา้าถึงความดับทุกข์ ไม่ใช่ว่าแต่ว่าถ้าถามอย่างอย่างเช่นว่านามาขันที่เราศึกษาสักครู่เนี่ยเวทนาสัญญาญขังฐารวิญญาณแล้วรูปขันเนี่ยถ้าถามบอกว่าถ้าส่งข้อลงในสัจจะแล้วนเนี่ยเป็นสัจจะเลยต้องแยกใช่ไหมขันของงขันห้าเนี่ยได้กี่สัจจะหลวงได้สองสัจจะ ตั้นหาเป็นสมุทยัยสัจจะที่เหลือนอกนั้นเป็นทุ ก, ทกขัตัจบางคนบอกว่าอุ้ยนิพพานมันก็อยู่ในตัวเราไม่มีหรอกนิพพานไม่ได้อยู่ในตัวเพราะในตัวเรานะมีอยู่สองสัจจะมีทุกขัสัจกับสมุทยัยสัจจะนิโรธาสัจจะนั้นไม่ใช่ขันห้าไม่ใช่ ฉะันในในขณะที่บอกว่าอาวิชชาเนี่ยถามว่าในขณะที่เขาไปเขามีความไม่รู้จริงในสภาวะธรรมแล้วก็มีการปิดสภาวะอารมณ์เป็นกิจเนี่ยและก็ให้สังเกตได้ว่าโมหะนี่นะโรกวิชชาเนี่ยนะถ้าปกปิดใครหรืออยู่กับใครแล้วก็มีการปฏิบัติผิดเป็นวลบาป ผิดจากอะไรผิดจากมรรคองคแตกผิดจากมรรคแตกง้นเวลาเขาดาเนินชีวิตเขาเนี่ยบอกว่าเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเป็นต้นนั้นไม่เป็นแล้วเขาคิดเขาจะคิดแบบมิจฉาทิฏฐิพอมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วมิจฉาสังกปรก็ตามทีนี้มิจฉาสังกปรเขาเป็นปัจจัยใงการพูดใช่ไหมเวลาพูดจะเป็นมิจฉาวาจา นิชชาวาจาเนี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดนิชช า, ากรรมบราคือการทําที่ผิดการจะทําที่ผิดการพูดผิดการกระทําผิดรวมลงก็คือเป็นนิชชาอาชียนนั่นเองทีนี้ถามว่าคนที่มีมีนิชชาอาชียเนี่ยเขาจะเพียนผิดหรือเพียนถูกก็ต้องเพียนผิดอีกแล้วเป็นนิชชาวาญมาคนที่เพียนผิดเนี่ยเขาจะละเลิกผิดหรือละลิกถูกก็ต้องระลึกผิดก็เป็นนิชชาสติอคนระลึก ผิดเนี่ยเวลาเขาตั้งจิตมั่นหน่อยเขาจะเป็นอะไรก็เป็นมิจฉาสมาธิสรุปแล้วก็คือว่าคนที่มีโมหะเนี่ยวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะสรุปลงด้วยมิจฉาสมาธิมันจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วเขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเขากําลังเดินตามมิจฉามาเขาไม่รู้ในชีวิตจริงเนี่ย ไม่ว่าเขาจะพูดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะเหยียดจะกบมยังไงเนี่ยมิจฉามรรคก็จะอยู่ในกระแสะใจเขาเลยแม้นเขาพูดดีๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพูดดีๆเนี่ยสวัสดีนะไปไหนมาเนี่ยก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ดีๆก็เป็นได้ยังไงอ่ะคือคือเขาเขาก็ทําทํายเหมือนกับอ่าเหมือนเหมือนกับคนขายของ เหมือ น, นกับคนที่เขาขายของบางทีเข า, เอาของดีหรือไม่ดีเต้องพูดดีไว้ก่อนใช่ไหมเพราะโมก็ดีคือมันเป็นอัตยาศัยของเขารับกษณะนี้คนที่เป็นวิจฉาทิจิเขาเขาเป็นลักษณะนีน้ฉะนั้นข้าโมหะมันปิดแล้วเนี่ยเขาเขาแยกไม่ได้เขาเขาไม่อยากจะเป็นคนปฏิบัติผิดเนี่ยประการต่อมาก็คือว่าอะไรเนาะเป็นปัจจัยแห่งการทําให้เขาไม่เข้าใจถึงก็คือการ มีอายโยนิสโสมราสิการเป็นมาตทฐานหนึ่งมีการใส่ใจต่ออารมณ์โดยไม่แยกขางให้ความคิดโดยไม่แยกท้ายเนี่ยมันทําไม่ลงเช่นว่าถ้ามีคนมาพูดอะไรปุ๊บเนี่ยไม่ไต่ตอง้วไม่ไต่ตองด้วยจิดที่น่ารักไปอย่างนั้นเลยเนี่ยนะอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลย ถ้ามาไข้ควรมาไตรตรองมาพิจารนาว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์มันเป็นความดีหรือความชั่วแยกๆไอ้อย่างนี้มันโยนิโสนี่แต่ถ้าไม่แยกแยะอย่างนี้นะอันนี้เป็นอาโยนิโสเดี๋ยวกิจาทรถิจะทำเขาต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นโมห oh ะที่นี้ โมหะนี่นะมีความมืดบอดอวิชชาเนี่ยเป็นลักษณะคือจิตที่มีโมหะเาครอบงำนี่นะเช่นโลภะบ้างโทสะบ้างแล้วก็โมหะบ้างเนี่ยมันจะมืดบอดหมดเลยมองไม่เห็นความจริงของของอะไรเลยนั้นถ้ามองคําว่ามืดเนี่ยมันก็ชัดอยู่เลยนะถ้ายิ่งบอดก็เหี่ยมันเห็นภาพเลยว่ามันมันมองอะไรไม่รู้เลยถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราก็รู้นี่ ว่าคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปูย่ย่าตายายเนี่ยอย่างนี้ชื่อว่านิโมะไหคือคือเห็นแค่แค่เปลือกนอกแต่ไม่เห็นความเป็นจริงของของสภาวะเช่นว่าไ้เห็นว่านี้เย่างยกตัว อ, อย่างนะว่าเวลาเ ว, เวลาเราเห็นคนที่ประสบความทุกข์ เราเห็นคนที่ประสบความทุกปุ๊บเนี่ยนสมองไปปุ๊บถ้าถ้าเป็นญาติเราเนี่ยอู้เสียใจถ้าไม่ใช่ญาติเราเนี่เฉยๆอันนี้อันนี้คิดแค่เนี้ลักษณะอย่างนี้อันนี้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นยังไม่เกิดเลยคือกรรมัต ร, รตาสัมมาทิฏฐิฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเห็นคนที่เขาจะประสบความสุขหรือความทุกข์เนี่ยลำดับแรกที่ควรคิดลงไปก็คือว่า คิดในเรื่องกรรมและผลของกรรมตรงเนี้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมันจะเกิดถ้าคิดในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าเออคนที่เขาประสบความสุขความเจริญในตําแหน่งหน้าที่การงานมีสุขภาพอะไรต่างๆไปจนต้นหรอที้ดีเนี่ยเออเหตุใจก็ดีนะหนึ่งเขาฉลาดในการดูแลตัวเองสองบุญเก่าในอดีต ก, ก็ก็สนับสนุนเขาคุณสมรรถกรรมก็สนับสนุนเขาทั้งสภาพร่างกายทั้งหน้าที่การงานอันนี้ก็เขาก็จะเกิด นี่มองเรื่องกรรมแต่พอไปเจอคนประสบความพุ ก, ก็มองเรื่องกรรมเหมือนกันบอกเออเนี่ยอุศสรกรรมเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ควรทํานี่เราก็ยังไม่ค้นสิ่งต่างๆแบบนี้นะเป็ต้นถ้าถ้าคิดในในมุมของกรรมนี้นะไม่ว่าจะเป็นทิฏฐะกรรมเวทนียกรรมอุปเช้าเวทนากรรมอากลาบลาเวทนียกรรม อ, อร น, รรมนี้ในเรื่องกรรมรย้อนวันก่อนเนี่ยก็ไปเจออ่าผู้ต้องขังก็ตีทวน ม, มาเขามาพอกเรื่องนี้ ใส่ใส่โ ซ, โซ่มายัางไม่พอใช่ไหมยังยังต้องมาเป็นโรคแบบนี้เรามันนั่งเย็นอยู่เลยก็เดิพยุงตัวเองก็ยังไม่ไหวแล้วยังต้องใส่โซ่ใหญ่ๆมาอีกใช่ไ ห, ห, หมเป็นระเบียบของเขาเดิ น, ดนก็ไม่ไหวก็ต้องเอาอะไรท่นแลน้วยังต้องมีผู้ควบมาเป้าด้วยแล้วขอโหงุดหงิด เห็นไหมเนี่ยถ้ามาพิจารณาดูาดเมอมันมองดูดีเรื่องเรื่องกรรมนี่โอ้โหเป็นึ่งงากรรมทั้งในปัจจุบันทั้งในอดีตที่ผ่านมาถ้ามันได้มีโอกาสแล้วมันส่งผลมันส่งผลนีล้ท่านอกว่าในมนุษย์ ย, รรยิ่งทรมาน อ, ายอย่างนี้นะถ้าได้พบต่อไปจะยิ่งกว่านี้นะมันทํานองจะบอกเราอย่างงั้นแต่ว่าเรามองไม่เห็ น, นยนงแล้วก็ถ้าเรามอง ถ้าเรามีตาปัญญามองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนี่นะมองสามการได้หน่อยนะโอ้แตนี้เราจะท้านเตือนแล้วอยู่อยู่ไม่เป็นสุขเล้ก็เหมือนว่าวันก่อนก็เย่อนเข้าไปนั่งคุยแล้วก็โอ้เป็นทุกขเป็นร้อนบ้านเมืองเด็ดร้อนเราก็นอนรักษา เพรมาปล่าร่ปุกอะไหน้่เด็ดน้อยหน้ากุ้มไม่รู้พวกนั้นก็เป็นอย่างนี้เขาร้องกลงุ่มล้ําคุ้งก็เลยยกเตียงรเราในในฐานะศึกษาพุทธศาสนาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ายต้องเอาช่วงนี้มาวิจัยให้ได้วิธีวิจัยก็คือว่าให้สังเกตว่าบ้านใดเนี่ยเอาแค่ครอบครัวเล็กๆ ถ้าผูน้นำครอบครัวเนี่ยบุญเริ่มน้อยลงคนในครอบครัวมันจะแตกแยกมันจ ะ, ะระส่ําระสารประเทศชาติมันก็เหมือนในครอบครัวแสดงให้เห็นชัดว่าบุญบา ร, รมีในการจะกระทำมามันมันมันเหลือไม่มากแล้วอันนี้เราไม่พูดไม่ใด้พูดไ ป, ไปตำหนิใครไหมพูดให้เห็นว่าคนเราเนี่ย ถามว่าแผ่นดินมันเป็นสมบัติของใครยู่ไหมเนี่ยมันเป็นสมบัติของคนมีบุญเขาเหมือนซากสมบัติของไทยเนี่ยก็เป็นของมีบุญของคนบนนะ้บางทีเจ้าของเขาไปเนี่ยมันตามเจ้าของเขาเนี่ยมันแล้วแต่ว่าคนที่มารับช่วงหลังจะมีบุญพอที่จะรักษาสมบัติเก่าให้อยู่ว่าได้ไหรือเปล่าขยายว่าเหมือนกันก็ไม่ว่าจะเป็นวัดวาลาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเนี่ยเหมือนกัน คนที่เขาทํามาเป็นบุญของคนคนนั้นทีนี้ถ้าคนคนนั้นเขาจะไม่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเขามีอานที่จะต้องจากที่ตรงนั้นไปแล้วบางทีสมบัติจะถามด้วแต่ถ้ามีใครที่มีบุญก็มารับช่วงได้หรือถ้าบุญไม่พอก็รับแบบทุกทรมานกันเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เราเคยเห็นครอบครัวมเาเยอะบางครอบครัวนี่โอ้อยู่ดีมีสุขมาก พอพ่อล้มไปสักคนแค่นั้นแหละแต่กระดานสั้นเต็ น, นักเข้านักเข้าเนี่ยที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่ายังต้องมาขอข้าวัดยืนยืนขนาดนั้ น, นอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องเรสแสร็จเป็นเรื่องปกติว่ามันเป็นบุญของใครถามว่าคนที่จะมารับช่วงเน่ยบุญดีหรือเปล่าแต่ถ้าบุญดีก็รักษาสถานะนั้นได้อันนี้นก็เป็นไปแล้วคือเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องกรรมอย่างนี้ไม่มีเป็น เราก็ย้อนมาดูเองของเราเองดูแค่ครอบครัวเราเล็กๆไม่ต้องไปตอนนี้ที่มันยังอยู่ดีมี่สุดเพราะบุญสายฝ่ายบุญของพ่อบุญของแม่บุญของลูกอะไรไปแล้วแต่แต่ถ้าหากต่างฝ่ายตามบุญก็จะใกล้หมดแล้วเอาละเราสั่มเราสายก็จะเกินแล้วก็จะข้อให้คิ ด, ดนะอันนี้ก็เรียกมองแบบลักษณะไม่ให้โมหะครอบนำมองในเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรม ทีนี้มามองในเรื่องกรรมแล้วผลของกรรมเนี่ยเราอเราอรอคอยเยอะไหมนั่นเราก็รอให้แล้วแต่บุญจะพาไปไม่ใช่นะถ้าเรารู้ว่าบุญมันจะหมดมันต้องเพิ่มบุญมันต้องเพิ่มใช่ไหมมันเหมือนน้าในตุ่มนะมันจะหมดเนีเนะ่ยเรารอนั่งภาวนาไม่ได้มันต้องหาน้ํามาตักใส่ไปเรื่อยๆมันต้องอย่างไง งั้นสภาพของความเป็นไปของบ้านชาติบ้านมุนเป็นยั้นงั้นถ้าเรามองในเรื่องกรรมแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็พยายามปิดช่องทางที่จะเป็นเหตุแห่งการไอที่จะเป็นเหตุแห่งความวิบัติแล้วก็ส่งเสริมความเจริญนี่นมันก็จะไปได้แต่ถามว่าคนที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะประคับประคองตรงนี้วะมีมากน้อยเพียงใดอันนั้นอันนั้นก็ก็ไปดูถ้ามันไม่มีอันนั้นก็คือตําหนักแล้วใช่ไหม ทันนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นช่วงกันนะนั้นในภาวะปัจจุบันเนี่ยคนก็โอ้เบียนรอนหนึมันคือนย้มถุยอะไรก็แค่โทมาแต่ละทีก็ว่าว่าคนในบ้านี่ยคือคนก็ว่าเศษสถามาเเป็นยั ง, ย ง, บบ ง, ยยงไงอาที่ทาตอนนี้ลืมหมดหรือยังนี่ต่อยังตัวนี้อบเอ้ที่คุยรายยานม่เห็นมีเลยนีแต่กะจะไปเดินตรงนู้นเดินตรงนี้ ว่ากันว่าค น, นบอกชาติบ้านเมืองสําคัญก็กว่ากันที่เลยบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบุญและบาปที่เกิดในใจนะทุกคนว่าเราจะสกัด บ, บาปในใจยังไงก็บอกว่าทัศนะของชาวพุทธ ห, หนึ่งต้องไม่ว่าร้ายเขาสองต้องไม่ทําร้ายเขาถ้าอย่างนั้นมันไม่ยากใช่ไหม หนึ่งการไม่ว่าร้ายและไม่แนะนำให้คนอื่นไปว่าไปตะโนด่าเขาอันนี้จะไปว่าจะไปด่าเขาสองการไม่ทำร้ายและไม่ควรแนะนำให้คนอื่นไปทำร้ายก็ถ้าถ้ามันมันขัดหลักสองประการนี่ผิดแล้วผิดหลักการของพุทธบริษัทแล้วถึงจะบอกว่าเป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่เพราะว่าขัดหลักการไปว่าเขาให้คนไปว่าเขา ก็เลยก็เลยบอกแกไปแกก็เลยเงีย่านึว่าอาจะบอกให้ทราบว่าคือทำน้ำมันดิบนะคือปลอไก็ไม่ความก็แต่จริงๆก็มีหน้าที่อธิบายก็อธิบายก็ก็ไม่เป็นไรคือยังไงอธิการอธิบายการให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าสิ่งนี้ที่ทานั้นไม่ถูกหรือทาไม่ถูกกรณีที่ว่า คุณอยู่ในฐานะนี้คุณไม่ควรไปแทกแซงอะไรเงี้ยก็ก็สามารถบอกได้แต่ว่าถ้าเป็นด่าแบบหยาบๆสเสียอันนี้ไม่คุกไม่ถูกจะไปบอกว่าอารมณ์พาไปก็ไม่ควรอ่นั้นไม่ถูกก็ก็ตรงนี้ก็ คือคือคือตรงนี้ถ้าถามบอกว่าในในในความเป็นไปของของบ้านเมืองนมันมีคนบางคนก็ท่านก็บอกว่าท่านก็เลยบอกว่าออลักษณะไม่ว่าจะทัศนะหรือกลุ่มไหนมุมมองไหนเนี่ยจัะอยากได้ทุเจ้าที่โอบนะคะวีโยมาอยากไปเข้ากปว่า ลองไม่ไม่ไม่ทราบสงจะใช่หรือตามไม่รู้ฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเราเราแต่ถ้าหากว่าเรามองจากตามความจริงแล้วก็คือว่าระบบที่คนเขาไม่ชอบกั น, นมันถ้ามันมาในรักขนะอย่างนี้คนไม่ชอบกั น, นถามมาเยอะไม่เยอะถ้าคนที่เขารู้ก็ามูนอยู่แล้วก็ไม่ชอบ เขไม่ชอบหรอกไอ้ระบบลักษณะอย่างนี้มันทําให้ให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบมันเป็นม า, าแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะไปแก้กันยังไงใช่ไหมถ้าจะไปให้ถอยพลังของคนแค่นี้ทำให้เขาถอยไม่ได้อ่าถ้าพลังมากกว่านี้ได้แต่ถามบอกว่า <c oughs> จุดติดหรือเปล่า กว่าคอรชโที่สสมยมาแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยต่างมากกว่าสิ่นั้นเยอะพรประเทศชาติายกอใจไมไม่เข้าใจใช่คือไปคือคนจริงๆแล้วเนี่ยมูลเหตุจริงๆที่คนก็ไม่เข้าใจตรงนี้มันว่า